ระธรรมเทศนาแผ่นที่51อดลำดับที่11อโดยหลวงพ่ออินทวัยสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่สองพฤษภาคม2556มีชื่อเรื่องว่านักสังเกตการวันนี้เป็นวันที่สองพฤษภาคมพุท ธ, ธศักราช2005 ร้อยห้าสิบกพวกลูกหลานที่เป็นนักศึกษาเจ็ดสถาบันที่เข้ามาบวชก็ให้ตั้งอกตั้งใจนะลูกหลานศึกษาภาคปฏิบัติถ้าจะว่าไปก็เหมือนกับเราบวชในครั้งก่อนก่อนก็คือบวชเป็นลือสีชีไพรอยู่ในป่าดงนะ่ะ ให้สนุกสนานเพลิดเพลินเหมือนกับโลกเขาคงเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้เราเป็นนักพรตนักบวชสมัยบําเ พ, พ็ญพรตบําเพ็ญตะปะเราจะไปอยู่แบบสนุกสุขสบายไม่ได้เราก็ต้องอยู่แบบนักพรตบาเ พ, พ็ญพรตทานมื้อเดียว นอนในที่สงบสงัดพักในที่สงบสงัดไม่คุกคลีแล้วก็บาเพ็ญตามแนวแถวที่พระธรรมคำสอนที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดำเนินมาพระธรรมคำสอนของพระพุทธทเจ้าอันดับแรกก็ให้เราเชื่อในครูบาอาจารย์ที่พานพาดำเนินก่อน แต่ต่อไปภายภาคหน้าเราจะค่อยศึกษาค้นคว้าความเป็นมาอีกทีเนึง่งอันดับแรกเนี่ยเราต้องศึกษาแล้วก็ลงมือปฏิบัติไปก่อนถ้าเราได้รับผลความมีแก่จิตแก่ใจที่จะค้นคว้าศึกษามันมาเองทีนีแต่ถ้าหากว่าเหมือนกับเราไปขุดทอง เขาว่าทองตรงนี้มีนะพอเราขูดไปได้เจอทองถึงจะไม่มากเราก็มีแก่จิตแก่ใจโอทองแถวนี้มีจริงเราก็ค้นคว้าเลยศึกษาดูว่ า, าสายทองมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงจึงมีสายจุดนี้มาสิ่งเหล่านี้มันก็ต้องได้ศึกษ า, าศึกษาเหมือนกับหลวงพ่อได้ยินพระฝรัง่งอท่าน ปัญญาวุฒโธ ท, ท่านคนคว้าศึกษาเรื่องทองท่านศึกษายัางไงจะหาวิธีการหาบ่อทองท่านบอกว่าถ้ามันสายทองอยู่ในสายไหนอยู่ในสายลำธารไหนห้วยไหนคลองไหนเขาก็จะต้องกล่อนขึ้นมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยรื่อยฮะถ้าหากว่าทองมันออกในจุดไหน ข้าเลยขึ้นไปมันจะไม่มีทองถ้าไม่มีทองก็แสดงว่าทองมันอยู่ในจุดนี้มันอยู่ข้างซ้ายหรืออยู่ข้างขวาเขาก็ค้นหาทองมันอยู่ในคลองนั่นในห้วยนั่นในภูเขานั่นที่คลองไหลจากภูเขาลงไปมันอยู่ทางไหนเขาก็ค้นไปหาทางที่มันมีทองอันนี้คือคนโบราณเขาค้นหาทองนี้ก็เหมือนกันนั่นนะ เราเข้ามาศึกษาเข้ามาประพฤติปฏิบัติอันดับแรกเราก็ฟังที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านบอกกล่าวแนะนำอย่างไรให้ทำใจยังไงให้อยู่ยังไงวิธีการอยู่วิธีการปฏิบัติตนซะ ก, ก่อนท่านบอกว่าให้อยู่ในที่สงบสงัดอย่าไปมั่วสุมอย่าไปคุยกันให้อยู่ตามลาพังได้จะค้นหาธรรม ถ้าคุยกันมวดสูงกันจะไม่เห็นธรรมถ้าเราอยู่ตามลำพังอยู่ในที่สงบสงัดเงียบแล้วก็บริกรรมอะไรบริกรรมกรรมฐานอย่าให้จิตใจฟุ้งออกไปข้างนอกให้อยู่กับตัวเองให้เป็นเอกเทศที่สดุดบริกรรมอยู่กับตัวเองให้มากที่สดุดให้สติอยู่กับตัวเองให้มากที่สดุด ในขณะที่เราอยู่ตามลาพังเรานั่งอันไหนมันเคลื่อนไหวถ้าเราจะไปจับหัวใจเต้นตึกตึกมันก็ไม่ได้ยินฮ้ตาไม่จริงมันก็มีหัวใจเต้นอันนัเรากำหนดที่หัวใจเต้นก็ได้ดูที่หัวใจเต้นที่ประจอมันเต้นแต่เนี้ยมันมองยากท่านก็ให้มองที่ลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นหลักหายใจเข้าหายใจออก หายใจเข้าหายใจออกให้มีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์อื่นสายอื่นท่านก็ให้จุกหนอพองหนอฮะอย่างเนี้ย เ, เรียกว่ากำหนด เ, เกิดดับเกิดดับเกิดตายเกิดตายฮะในขณะที่ลมหายใจเข้าหายใจไม่เข้าก็ตายหายใจไม่ออกก็ตาย อ, อันนี้ก็คือการกาหนด แต่หลวงปู่มั่นหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทพุทโทพุทธที่ลมหายใจเข้าออกเพราะว่าเรานั่งการเคลื่อนไหวของร่างกายก็มีแต่หัวใจมันเต้นตึกตึ ก, ต, กตึกที่ประจออันนี้มันมันมองเห็นได้ได้ยากมันลึกลมหายใจเข้าออกมองเห็นไ ด, ได้ง่ายกว่าค่ท่านก็ให้กำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นหลักนี่แหละ เราก็ปฏิบัติตามไม่เห็นจะยากที่ตรงไหนมีแต่สู้กับใจตัวเองเท่านั้นแหละมันยากนะเพราะใจตัวเองมันชอบพูดชอบคุยชอบสนุกฉะา น, านั้นชอบมันไหลไปทางกิเลสทั้งวี่ทั้งวันตั้งแต่วันเกิดมาชอบหมูชอบเพื่อนชอบอะไรตัวมิอะไรแต่บัดนี้เรามาเป็นนักรตนักบวชมาบําเพ็ญตปะธรรมมาเป็นฤาษีชีพายมาเป็นพระ ตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าพาดาเนินดูซิพระพุทธเจ้าพาดาเนินเราอ่านดูซิประวัติของท่านท่านไปอยู่ในป่าดงถึงหกปีท่านอยู่ตามลำพังแต่ถึงปัญจวคีทั้งห้าก็เถอะก็อยู่ในกลุ่มหนึ่งใครๆบ่สังเกตการคอยดูพระพุทธสทธะทํานทำอะไร ทั้งห้าปัญจวัคคีย์ทั้งห้าเนี่ยมองคล้ายๆว่าจับตามองว่าศิทธะทําอะไรศิทธะนี่ก็คิดได้ยังไงที่จะเกิดประโยชนกับทดลองเยเหมือนกับทดลองวิทยาศาสตร์ทดลองเรื่องนั้นทดลองเรื่องนี้ทดลองเรื่อ ง, นนนองนนจนอดพักกายหานั่เอเพราะว่ากิเลสมันอยู่ในร่างกายนะะร่างกายมันกิเลสมันเกิดอยู่ในนี้บําเพ็ญอยู่ สี่สิบเก้าวันไม่สันปักยาหารเลยอดข้าวอดน้ำาดูสิพออดอดอดอดอดไปถึงสี่สิบเก้าวันมันผอมเลยาบำเพ็ญทุกข ก, กิริยาเนะี่ยท่านว่าไม่ใช่ทางอันนี้มันเพิงแต่บำเพ็ญให้ร่างกายลำบากเปล่าอัน้อัตกิลมทัทถาไม่ใช่หนทางท่านก็หย ด, ด ในการบำเพ็ญนะั้นเพราะว่าทดสอบไนยะอ่าเป็นการทดสอบนะแล้วก็มาสวยพระขยาหานี่แหละตอนที่ปัจจวคขี่ทังห้า5สังเกตการอยู่ทางนอก น, ะนั่งมองข้างนอกอ่าสิทธะข่าวนี้เอาจริงแลว้ววะบำเพ็ญไม่ทานอาหารไม่ฉันน้ำไม่ชันอาหารเลยเนะี่ยแต่น้ำไม่แน่เหมือนกันนะถ้าไม่ฉันน้ำถึงขนาดนั้นคงไม่ไหวอาหารไม่ฉันแน่ ถึงสี่สิบเก้าวันผอมอย่างมากเลยนะปัญจวคีตก็ น, นี่แหละขราวนีหละจะได้ตัดสุ้จะได้สำเร็จสมความมุ่ง ม, มา่ปราชนาเอาจริงละข่าวนี่ฮะมองข้างนอกไงแต่สิทธิธรพระพุทธเจ้าก็เราท่านมองข้างไหนท่านสังเกตอยู่ตลอดถ้าไม่ใช่อดให้ท่านตายเนี่ยท่านหาหนทางเหมือนกับทดลองวิทยาศาสตร์ สิ่งไหนเป็นยังไงอะไรเป็นอะไรตัวนี้เป็นยังไงสูตรนี้เป็นยังไงทําำยังไงเอผลในสุดไม่ได้ไม่ใช่ทางถอยอตอนที่พระพุทธเจ้าถอยเท่านั้นแหละปัญจวคีร์ทั้งห้าที่นั่งสังเกตการอยู่ข้างนอกสายหัวเลยแต่อ้ยกลับมาที่เก่าแล้วแปล ว, ว่าเปล่าประโยชน์เอยศรีธัถฐมาบอมเพลขนขรายนะมองดูแล้วคิดว่าจะน็อกกิเลสแล้วก็ จะบรรลุจะได้สำเร็จตัดสู้ล่ะไม่ได้กลับมาที่เก่าอีกทานอาหารอย่างเก่าอีกไปๆปไ ป, ไปเราหนีวะเอ่อตอนนี้แหละตอนปัญจวัคคีทั้งห้านหนีออกจากที่บำเพ็ญของสิท ธ, ธัตถะไปอยู่แขวงพาราณสีนะ่ะออกหนีจากไกลพอสมควรเดินหนีเลยเหมือนกันเพราะว่า ลูกพี่ของเราเนี่ยบำเพ็ญไปแล้วเนี่ยไม่สําเร็จตามที่จะได้สําเร็จแล้วก็กลับมากลับไปกลับมาแล้วกลับมาชั้นจังหวัดอีกสรุปแล้วก็คือหมดศรัทธาฮะ ห, หมดศรัทธาคือความเชื่ อ, อ, อความเชื่อมั่นในในที่ตัวเองตั้งความมุ่งมั่นตุ้งมุ่ง ม, มา่ปรารถนาเนี่ยมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะหลวงพ่อว่า แตหลวงพอ่อหลวงพ่อเองก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันพ่ออะไรตั้งหกปีเนะี่มันไม่ใช่น้อยใช่เอทั้งแดดทั้งฝนอยู่ด้วยความยากลำบากกว่าพวกเราเยอะแยะอีกต่างหากที่คอยดนะูท่านก็ไม่ได้ว่ามันตรงนั้นนะเป็นกุฏิและเป็นศาลาเป็นอะไรท่านก็ไม่ได้พูดไม่ได้บรรยายในพุทธประวัตินะมีแต่ว่าท่านคอยดูสิท ธ, ธะบอมเพนตะปะ จากท่ทานกับท่านพ่อปัญจวัคคีทั้งห้าหนีไปแล้วพระองค์ก็อยู่ตามลำพังอีกบําเพ็ญไม่ได้คิดอะไรมากเพราะเหตุไรเพราะเรื่องปัจจวัคคีก็เรื่องปัญจวัคคีไม่ใช่เรื่องของของท่านเรื่องของท่านคือเรื่องของท่านไม่ใช่เรื่องของปัจจวัคคีปัญจวัคคีมาหาท่านก็เอออมามาดูมาสังเกตการก็ไม่ว่ากันแต่ไม่ใช่เรื่องของเราและไม่ใช่เรื่องปัญจวัคคีเป็นเรื่องของเราไงนี่แหละ อันนพระองค์ก็ บ, บําเพนทางกายผลที่สุดก็ บ, บําเพญทางทางใจที่ท่านนั่งคัดสมาธิวันเดือนหกเพนท่านลําลึกถึงอย่างที่หลวงพ่อพูดมันลําลึกถึงสมัยผิดศีลทัศน์ไปบปําเพญไปแลกนาขวัญกับพระบิดาที่นั่งอยู่ที่โคลนต้นว่าในวันแลกนาขวัญ กำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกนั้นจากนั้นพระไค่ใจความนึกนึกค็ดความปรุงของจิตของใจความนึกคิดของใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งนะในช่วงนั้นอันนั้นกำมังจะเป็นห น, หนทางที่เราจะเปิดไปสู่ เ, เรื่องจัตสรู้นะ เออพระองค์ล้ำลึกได้จากนั้นก็นั่งขัดสมาธิเขาถึงกำหนดลมหายใจอย่างที่สิทธะสมัยเป็นสิทธะทำแต่สมัยเป็นเด็กพระไทยใจของพระ อ, องค์จึงรวมสงบลงเป็นหนึ่งจากนั้นจึงได้ตัดสรุปเป็นพระ อ, อนุต ر ا สัมมาสัมโพธิญาณที่โคลนต้นโพนะปุกเพในวาสานุสติญาณตอนหัวค่ําจุตูปปาตายานตอนเที่ยงคืน อาส า, าวกายายาณตอนที่จรสว่างที่ได้ตัดรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนี่แหละสรุปแล้วก็คือพระพุทธเจ้าของเราเท่านอยู่ตามลําพังอยู่ในความสงบไม่คุกคลีสังเกตสังกาการเคลื่อนไหวความนึกคิดของตนเองแล้วจะเอาจับยังไงจับความนึกคิดจุดนั้นให้มันอยู่ให้มันรวม แต่ไม่ให้มันกระจายไม่ให้มันคิดออกนอกลูกนอกทางแต่ละวี่แต่ละวันแต่ละเวลาให้มันมารวมอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งคือลมหายใจเข้าหายใจออก น, ะนี่แหละพระลูกพระหลานทั้งหลายเวลาฉันจังหารเสร็จแล้วเอาไปบาเพ็ญตั้งจิตอธิษฐานข้าพระเจ้าจะเดินโยกมเท่านี้เราจะนั่งภาวนาเท่านี้เราจะดูพยายามบังคับใจให้อยู่กับอารมณ์อย่างนี้ อย่างที่พระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพาดำเนินหลวงพ่อว่าอย่างน้อยก็เหมือนกับเราขุดทองล่อนทองไปก็เห็นทองชิ้นหนึ่งจากนั้นก็ตามตามไปเรื่อยเรื่อยๆรยผลในสุขก็ไปเห็นบ่อเงินบ่อทองขึ้นมาได้เพราะนั้นการบาเพ็ญตะปะของพวกเราลักษณะอย่างนั้นต้องใช้ความอุตรสาหะวิริย ะ, ะความภาคเพียรความพยายามความอดทน จะให้เหมือนแบบเราอยู่ทางโลกมันก็ไม่ได้ถ้าอยู่ทางโลกก็มีตะกิเลศราคะโทสะโมหะโลภโกรธหลงเจียบย่าทั้งวีทั้งวันบางทีก็ร้องโมร้องไห้มันก็ทุก อ, อกทุกใจบางทีก็ร้องสนุกสนานเพิดเพลินเฮฮาแต่ใ น, นหลักธรรมคำสอนของพระพุธทธเจ้าถ้าบ่าคนร้องคนหัวเราะเนี่ย หัวเราะไปเพื่อความร้องไห้มันใช้คล้ายมันใกล้ๆ ก, กันมันทดแทนกันใกล้ๆ ก, กันเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกททุกท่านนะมาบำเพ็ญตระประทาในคราวนี้มันจะให้เหมือนทางโลกมันไม่ไมใช่มันไม่ได้อันนี้บำเพ็ญทางด้านจิตใจจะต้องได้ตัดรู้เรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าถ้าเอาชนะใจของตนเองได้ชำระใจของตนเองได้ นั่นแหละคือบอรมมสุขตามหลักธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าที่ท่านยกวันเลิศประเสริฐที่สุดจากนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราก็พาดำเนินมาปฏิบัติมาก็ท่านก็ยอมรับกันท่วนหน้าเพราะนั้นพวกพวกเราถึงจะไม่ถึงขนาดนั้นก็ให้ได้รู้จากแนวทางในการบำเพ็ญตร ะ, ะคือ ตะธรรมคือจิตให้เป็นสมาธิสงบจิตสงบใจระงับไดบ้างเหมือนกับว่าไม่หายจากโรคภัยไข้เจ็บทีเดียวแต่ก็อย่าให้มันทนทุกข์ทรมานจนเกินไปออยากินยากแก้ปวดประทับพระทังอประทะประทังเอาไว้อย่าให้มันทรมานจนเกินไปเนี่ยเราบ่มเพนถ้าเรารู้จักวิธีการปฏิบัติกับตนเองกับใจตนเอง บ้างอต่อไปแล้วก็ชําระได้ไม่ใช่กายเทต้องชาระไงมันก็ไม่หายจากโรคถึงจุดจบแต่ใจไม่ใช่นะ่ะพอบําเพ็ญเข้าไปแล้วตัดกิเลสราคะโทสะโมหะแล้วเป็นอมตะธาตุเป็นอ ม, ะ ต, ะ ต, นอมะตะธรรมอ่าเป็นธรรมมันบริสุทธิ์เป็นธรรมมันไม่ตายบริสุทธิ์ผุดผ่องอือยูต่ตลอดอนันตการเพราะฉะนั้นพวกเรา มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจแล้วอยากที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดำเนินท่านว่าไม่เหลือวิสัยทำางั้นนะผมอันนั้นพวกเราทุกๆทกทานเนอะร์ตั้งอกตั้งใจพระลูกพาหลานคณะศรัทธาญาโจงทุกหมู่ทุกเหล่ารับพร อ, อนุโมทนาให้พร